ความคิดชั่วร้ายถ้าน้ำหนักเจตนาไม่แรงบาปก็ไม่มากและหากเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้เดี๋ยวนั้นก็จะพลิกจากอากุศลเป็นมหากุศลทันทีถ้าคนเป็นคนหนึ่งที่กำลังทรมานใจอยู่กับความคิดโกรปรกความทรงจำแย่ๆหรือความลับหน้าอับอายเกินก <c oughs> วา <c oughs> ่า <c oughs> จะให้ใครรู้ว่าเราก็คิดอย่างนี้ได้ขอให้ทราบถือว่า คุณไม่ได้โดดเดี่ยวยังมีคนอีกทั้งโลกเป็นเพื่อนยิ่งหากคุณรู้สึกว่าความคิดที่เสียแทงหัวหูอยู่นั้นเป็นเรื่องหน้าอับอายเกินกว่าจะปรึกษาใครเรียกว่าไม่กล้าเปิดเผยกันตลอดชีวิตก็ยิ่งย้ำติดและคิดหนักเช่นคำหยาบที่โยงเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความคิดทางเพศกับญาเชือ้อแม้คุณจะปฏิเสธว่าไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้อยากอยู่ข้างเดียวกับความคิดพันนั้นมันก็ยังคงวนเวียนเยี่ยมหน้ามาไม่เลิกเราก็มีศัตรูตามราวีตนอยู่ในตัวเองความคิดไม่ดีที่โผล่มาแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้มีหลายสาเหตุแต่สาเหตุสำคัญคือเคยเมามันกับการคิดเพ่งโทษคนอื่นให้เป็นยักษ์เป็นมารหนึ่งหรือเคยสาใจกับการด่าสาเสียเทเสียใส่คนอื่นให้เจ็บใจหนึ่ง ความคิดและคำพูดร้ายๆจะไม่ได้หายไปไหนแต่ยังคงเป็นระเบิดเวลาฝังตัวรออยู่ในส่วนลึกคอยเวลาระเบิดขึ้นมารบกวนจิตไม่ให้เป็นกุศลไม่ให้สบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในช่วงเริ่มเบิกบานกับธรรมะต่กอนกรรมที่ก้นบึงของชีวิตจะฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งคำประสิ์ที่คิดไม่ถึงคนส่วนใหญ่จะสงสัยกันมาก ว่าทํา ไ, ได้คิดเจตนาจริงจังเช่นเกิดความคิดลบหลู่ครูบาอาจารย์ขึ้นมาชั่วแวบในหัวจะเป็นบาปกรรมแค่ไหนหากไม่ได้จงใจถ้าว่าเกิดความรู้สึกอยากทําร้ายอยากขโมยอยากผิดกามอยากโกหกหรืออยากลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรูปความคิดแับผ่านเข้ามาในหัวไม่ได้มีกําลังใจของตนเองหนุนหลังจริงจังอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัญญา ความจำได้หมายรู้อันเป็นอกุศลหาใช่การก่อกรรมหาใช่บาปร้ายแรงที่จะติดตัวเป็นเงาตามไปให้ผลไม่ความคิดใดยังไม่เติบโตขึ้นเป็นความตั้งใจลงมือทาจริงความคิดนั้นยังไม่ใช่กรรมที่มีผลรออยู่อย่างชัดเจนศัตรูของคุณมาในรูปของความคิดดังนั้นคุณก็ต้องต่อสู้หรือตอบโต้มันด้วยความคิดเช่นเดียวกัน กำหนดใจไว้เลยว่าเมื่อใดเกิดความคิดหรือจินตนาการที่เป็นลบคุณจะต่อกอนกับมันทันทีด้วยความคิดและจินตนาการที่เป็นบวกออกแบบเป็นตรงข้ามเห็นเห็นเลยนะครับเช่นถ้าเกิดแรงบีบคั้นในหัวให้ด่าคนหรือหาเรื่องอาลวาดคุณต้องให้สติทําหน้าที่ยับยั้งความตั้งใจที่เป็นลบนั้นแต่ไม่ใช่เก็บกดเฉยๆคุณต้องพูดจาดีมีความสุภาพอ่อนโยน เลือกคำที่ประณีประนอมหรือกุลีกุจอาหาทางช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งทันทีผมขอให้คุณคุณมองอย่างนี้ครับว่ายิ่งหาทางแก้ความคิดไม่ดีก็ยิ่งตอกย้ำให้กลุ้มว่าเราคือเจ้าของความคิดไม่ดีอย่าไปทำอย่างนั้นเลยหาทางเป็นคนละข้างกับมันดีกว่าในไหนมันเกิดขึ้นในหัวเราจริงๆแล้วก็มีสติดูให้จิตเกิดความฉลาดรู้ทันความจริงว่า มันมาเองเราไม่ได้เชิญเราไม่ได้จงใจคิดมันไปเองถ้าเราไม่ต้อนรับและไม่ได้เลี้ยงไว้ด้วยการกุ่นคิดต่อทำไว้ในใจว่าเมื่อใดความคิดไม่ดีผุดขึ้นในหัวเราจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นไม่ใช่พยายามหลอกตัวเองว่าไม่ได้เกิดขึ้นไม่ใช่พยายามฝืนต้านไม่ให้เกิดขึ้นไม่ใช่พยายามขู่ให้ตนเองกลัว ว่าเป็นบาปหนักถ้าขืนปล่อยให้เกิดขึ้นยิ่งเห็นว่ามาเองไปเองบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความคิดไม่ดีบ่อยขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความคิดไม่ดีบ่อยขึ้นเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกถึงความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเขามากขึ้นเท่านั้นถึงจุดหนึ่งเมื่อเห็นว่าความคิดไม่ดีเป็นอนิจจงไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลง เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์กับอุปาทานซ้ำซากการเกิดสติเท่าทันความคิดชั่วร้ายได้นั้นจิตเป็นมหากรุศลด้วยซ้าสิ่งที่สะท้อนชัดคือจิตใจโดยรวมจะดีขึ้นเรื่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆขออย่างเดียวอย่าพะวงหรือกลัดกลุ้มกับความคิดชั่วร้ายที่เกิดขึ้น